และก้าวไปถึงความปรากฏแห่งมรรคทั้งสี่ด้วยทั้งโสดาปฏิมาสกาธาไครมานาคาและอะไรต่อมาเข้าใจะเห็นไหสภาพของปัญญาฉะนั้นปัญญาก็ตั้งโลกียาวิปัสนาโลกุตระวิปัสนาเขาจะแยกกันก็จะเป็นปัญหาฐานแก่กันอย่างรายละเอียดค่อนข้างเยอะในเรื่องของปัญญาเนี่ยนะแต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปสรุปรายละเอียดตรงนั้นเพราะถ้าเรื่องปัญญาอย่างเดียวเนี่ยถ้ามานั่งคุยคุยกันอย่างเดียวเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่จะต้องค่อนข้างวิจัยเยอะทีนี้กําจัดความมืดนะแล้วก็พัฒฐานก็คือไม่หลงประเอ่อพัฒฐานก็คือนั่นแหละสมาธิที่ตั้งมัน่นทีนี้ในมหาดีกาท่านแสดงบอกว่าแสงสว่างคือปัญญาเกิดเพราะการกําหนดพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายฉะนั้นการกําหนดพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายก็กําจัดความมืดในใจออกไปได้เพราะเหตุนั้นปัญญานะ่ยไม่หลงในสภาวะลักษณะด้วย แล้วก็ไม่หลงในสามัญลักษณะแห่งปรมัตธรรมเป็นต้นด้วยมาปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ที่กำลังกำหนดใครควรวิปัสสนาอยู่อาการของปัญญาที่ปรากฏนั้นชื่อว่าอุปัถานะกาลปปจจุปฐานะถามว่าปัญญาเนี่ยถ้ามาปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ปฏิบัติกำลังเจริญ ป, ปัญญาเป็นทุกขสัตย์ไหมปัญญาในชั้นของโลกยะ นั้กรณีอ่งคนที่เขาเจริญปัญญาเนี่ยนะเขาต้องเอาปัญญามาไขควนด้วยไหมเอาปัญญามาไขควนด้วยนี่ปัญญามาไขควนกับปัญญาก็รู้จักสภาพของปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยว่าสภาพของปัญญานั้นน่ะถ้าอาการของปัญญาเนี่ยนะมาปรากฏในใจของวิปัสสนาญาณทั้งหลายนี่นีมาปรากฏต่อยานของผู้ปฏิบัติที่กำลังกําหนดวิปัสสนาปัญญาอยู่อาการปรากฏแห่งปัญญานั้นชื่อว่าอุปทานกาละปจุปทานะ ธรรมะหนึ่งลักษณะของปัญญาก็ปรากฏสองจิตของปัญญาที่กำจัดความมืดความบอดเกิดขึ้นเยอะกำจัดความรุ่มหลงเป็นต้นเกิดขึ้นกำจัดความสภาวะที่ปิดบังสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะก็ปรากฏผลสภาพที่สามารถกำจัดความหลงเป็นต้นได้เนี่ยก็ปรากฏก็คือว่าสภาพที่ไม่หลงต่ออารมณ์ปรมัตและและไม่หลงต่อสภาวะของบัญญัติเป็นต้นแล้ว ก็ปรากฏในใจของของโยคียบุคคลทีนี้อาการที่ปรากฏเนี่ยปัญญาที่ไม่หลงในสภาวะลักษณะปัญญาที่ไม่หลงในสามัญลักษณะของปรมาธิธรรมทั้งหลายอันนี้พระพูดอย่างนี้ก็พูดไม่แยกก็ลาบากอีกเช่นไปพิจารณาจิตของจิตของปัญญาเออขอภัยลักษณะของปัญญาจิตของปัญญา ผลปรากฏของปัญญาอาการปัญญาเนี่ยมาปรากฏในใจคือจริงๆปัญญาเมื่อเขาไปวิจัยในผลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมกิจเมื่อปัญญาทํากิจเบีเสร็จผลของปัญญาก็เกิดผลของปัญญา ก, ก็คือก็คือสภาพที่ให้ผลก็คือปราศจากความหลงเกิดขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับโมหะคือความหลงเหมือนมรุเทศผู้ชํานาญทางป่า มักุเทศที่ชำนาญทางป่าถามบอกว่าถ้าผลปรากฏก็แปลว่าเหมือนคนพาเราเดินป่าแล้วไม่หลงอ่ะยิ่เป็นอย่างนี้ผลปรากฏอย่างนั้นแต่สภาพของผลเนี่ยที่ปรากฏอย่างนี้ปัญญาที่ไม่หลงในสภาวะลักษณะและไม่หลงในสามมั ญ, ญลักษณะของปรมัตธรรมมาปรากฏเลยมาปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ที่กำลังกาหนดหรือเจริญวิปัสนาอยู่ อาการปรากฏนั้นชื่อว่าอุปทานอาการ เ, าเรียกอาการของปัญญาปรากฏในใจของโยคีผู้ใข่ควรแล้วเราเคยเอาปัญญาที่ไปรู้สภาวธรรมเหล่านี้มาวิจัยแล้วจะเห็นในใจเราอีกครั้งเลยเขาบอกคักกที่จริงบางบางทีนี่เนี่ยผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานก็ดีเลยเนี่ยบางทีไปคิดถ้าจนเพลินใช่ไหม ไม่เคยไปไข้ควรหรือว่าสภาวะของปัญญาที่ผลของเขาเกิดขึ้นมันมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ใช่เลยไปมุ่งเน้นแต่เรื่องการที่จะไปรู้อย่างอื่นเลยไปรู้ว่าสภาพที่เข้าไปรู้จริงๆมันเป็นปัญญาหรือไม่อารามนาคณะไม่เกิดตรงนี้้าพูดตรงนี้ได้ยาวเลยเนะี่ยเนียอารามนาคณะไม่เกิดอารามนาในส่วนที่ว่าผู้กาหนดกับผู้ถูกกาหนดตรงเนี้ย หนึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นตัวถูกกําหนดส่วนปัญญาที่เกิดเออคือที่เข้าไปรู้ในขณะหลังๆที่ตามเข้าไปรู้ปัญญาที่เกิดกันก่อนอนั้นคือผู้ผู้กําหนดใช่ไหมปัญญาเกิดขึ้นระดับไปไหมเกิดขึ้นกระดับไปหมดเลยกรณีปัญญาที่ไปรู้เวทนาไปรู้รูปไปรู้ผัสสะไปรู้สัญญาดับไปหมดแหละ อ่ล้ปัญญาเข้าไปรู้ปัญญามีไหมนี่ไงเมื่อไปรู้ปัญญาก็ไปเห็นลักษณะของปัญญาเกิดไปเห็นกิจของปัญญาไปเห็นผลปรากฏของปัญญาอาการที่ผลปรากฏของปัญญาเกิดขึ้นในกระแสใจของโยคีนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกไปรู้ปัญญาอุปทานะคะอีกในหนึ่งปัญญาเป็นเหตุแห่งการทะลุทะลวงสภาวะลักษณะเป็นเหตุไหมปัญญาเนี่ยเป็นเหตุแห่งการไปรู้สภาวะ รู้แบบทะลุทะลวงด้วยนะเหมือนธนูอ่ะเหมือนยิงลูกศรยิงธนูเลยทะลุทะลวงสภาวะลักษณะและไปยิงทะลุทะลวงสามบัญญลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาส่งผลยังไงส่งผลความไม่หลงเกิดขึ้นเพราะการไปแทงตลอดบ่อยๆเนี่ยทั้งทั้งลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็ไปแทงตลอดทั้งลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตา พอปัญญาไปทำกิจบ่อย ๆ, ๆเขามีผลไหมผลของเขาคือความไม่หลงความไม่หลงเนี่ยเกิดขึ้นไอ้ปันที่ความไม่หลงเกิดขึ้นอย่างนี้นเขาเรียกว่าผลปรากฏผลปรากฏในผลปรากฏตรงนี้ก็เรียกผลปัจจุบฐานนะนี่ท่านแสดงอย่างนี้ตรงนี้ก็เลยเห็นชัดเลยว่าเอ้าลักษณะ สภาพที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะตามความเป็นจริงของปรมาถธรรมอีกอย่างหนึ่งสภาพที่รู้แจ้งตรงต่อปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงดุดนักแม่นธนูยิงเป้าดุดนักแม่นธนูยิงเป้าเลยนี่ลักษณะปัญญากิจของปัญญาก็คือสภาพที่ส่งความจริงของอารมณ์ปรมัตถส่งความจริงเลยนะส่งก็ได้ส่องความจริงก็ได้ทําความจริงของปรมาส์เนี่ย คือความจริงของอารมณ์ประมัตถให้สว่างเจิดจ้าดุจ ด, ดวงประทีปให้แสงสว่างจริงๆในชั้นของกัมพีท่านอุปมาไว้เยอะห้องสี่เหลี่ยมมืดมืดมานานแล้ววันหนึ่งบุุษคนหนึ่งเข้าไปก็จุดประทีปขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมที่มืดมิดนั้นพอเมื่อประทีปสว่างขึ้นมาปุ๊บเวลาใดความมืดก็หายไปเวลานั้นอันนั้นบ่งถึงจิต จิตของปัญญากิตของปัญญาก็คือส่องความจริงของอารมณ์ประมตัตตนั้นให้สว่างเจิดจ้าเหมือนกับดวงปฏะทีปจุดดวงปฏิบปเหมือนปฏทบิภัยแสงสว่างส่วนอาการปรากฏในยานปัญญาของผู้กำลังกำหนดหรือเจริญวิปัสนาอยู่นั้นก็เรียกอุปฐานาการละเนี่ยสภาพที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วปรากฏใช่มที่ไม่หลงในไหน ไม่หลงในสภาวะลักษณะไม่หลงในสามัยลักษณะนั่นแหละของปรมัตตธรรมมาปรากฏต่ อ, อยานปัญญาของผู้ที่กําลังเยื่อเิ่นวันนะอายูอาการปรากฏนั้นเลยเป็นอุ ป, ปัฏฐานากาละปัจจุปัฏานะไปเลยเป็นอาการปรากฏแล้วในยานปัญญาของวโยคีแล้วผลล่ะผลเป็นยังไงปัญญาเป็นเหตุรู้แจ้งทะลุทะลวงใช่ไหมลักษณะของสภาวะธรรมจิตของสภาวะธรรม ผลปรากฏของสภาวธรรมแล้วก็เหตุใกลเหตุใกล้ <ๆ S 2> ของสภาวธรรมของปรมัตถธรรมนั้นนั้นส่งผลเลยแต่เนี้ยแล้วก็รู้ทั้งสามมัญรัักษณะของสภาวธรรมเลยส่งผลเลยผลก็คือความไม่หลงเกิดขึ้นนั้นปัญญานั้นเลยเรียกว่าผลปัจจุบันานนะผลปรากฏทีนี้ผลปรากฏตรงกันข้ามกับความหลงเลยเหมือนกับมรุเทศชำนาญทางป่าเลยทต่เนี้ยยานชื่อว่าปัญญา พอสามารถรู้แจ้งอริยสัจก็คือโดยทุกสัจจะก็คือได้แก่จตุสัจจะสมาธิิปัญญาที่เห็นแจ้งสัจจะสี่ปัญญาที่เห็นแจ้งสัจจะสี่ชัดแล้วแต่เนี้ยพ่อบอกปัญญาที่เห็นแจ้งสัจจะสี่ก็ไปวิจัยไปไข้ควรไปพิจารณาแล้วอเห็นแจ้งยังไงใช่ไหมถ้ากรณีเห็นแจ้งสัจจะสี่เนี่ยลักษณะต้องชัดกิจต้องชัดผลปรากฏต้องชัด เหตุไกลเหตุใกล้ต้องชัดอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วไงว่าตานี่นะจกักขคูประสาทใช่ไหมโยมบอกว่าเอาทั้งจกักขคูทัศกกราบเอาทั้งสสามภาระจักสูดเลยรวมเบเสร็จเลยในเนี้ยเกิดจากกรรมจากจิตจากอุตุจากอาหารมีทั้งกายะทัศกะกราบ มีทั้งภาวะทะศัศกราบมีทั้งมีทั้งจิตตะชกระาบอุตุชกระาบอาหารชกระาบเยอะแยะหมดเลยมีทั้งกายยะมีทั้งภาวะใช่ไหมทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นเลยกราบต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในจักรวาลศาสตร์ทั้งหลายที่รวมเป็นก้อนตาขึ้นมาเนี่ยกราบต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามาพิจารณานี้คือเป็นทุกข์สัตย์ ทุกขศัพท์จะทำเหล่านี้เป็นธรรมที่เป็นทุกข์ทีนี้ก็เราก็มาวิจัยทั้งลักษณะของจักรสุใช่ไหมทั้งกิจของจักขคุปสัตทั้งผลปรากฏของจักรคุปสัตแล้วก็ทั้งเหตุการ์เหตุกล้ของจักรคุปสัตเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็ก็ก็จะเข้าใจแล้วเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของสภาวธรรมเนี่ยนะว่ากรณีแห่งจักรคุปสัตถามว่าเอ๊ะตัวจักขคุประสัตเนี่ย สภาพที่ทำให้รูปใหญ่ทั้งหลายกระทบกับรูปใสๆใช่ไ้ยคือลักษณะของเขาเป็นอย่างงั้นไอ้ตัวจกักรพรรดเนี่ยถ้ามองมองอย่างนี้ก็คือก็จะเห็นบอกว่าออกรณีแห่งการที่บอกว่าสภาพที่ทำให้รูปใหญ่ก็คือดินน้ําอฟลมใช่มดินน้ําไฟลมไอตัวที่บอกว่า กรณีเหงากรณีก็ตัวจากคุปาธาเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่เป็นความมีความใสที่สามารถรับรูปรมได้กรณีการกระทบกันเนี่ยนะระหว่างสีที่อยู่ภายนอกสีที่อยู่ภายนอกก็สีที่อยู่ภายนอกก็อาศัยดินน้ำไฟลมใช่มเอาถ้าหากว่าดินน้ำไฟลมที่อยู่กับสิ่งที่มีชีวิตเกิดจะกกรรมจิตตัตัวหันด้วยกรณีที่ว่าเราเรามองเนี่ย จากขูปสัสสัตถใช่ไหมเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยดินน้าไฟลมที่เกิดจากกรรมใช่ไหมแล้วก็มีศาสตสามภาระจากขูอีกก็เกิดจากจิตเกิดจากอุตูเกิดจากกระหายอีกเยอะแยะสรุปก็คือว่าเห็นไหมว่าตัวตัวจากขูปัสสัท่านเนี่ยเขาเป็นรูปอาศัยจากขูปสัสสัตถก็จริงแต่สามารถที่ท่านใช้คําว่าทําให้รู้รูปใหญ่ทั้งหลายกระทบกับรูปใส ลักษณะอิสภาพที่ทําให้รูปใหญ่ทั้งสี่รูปมันเกิดจากกา ร, รมันมีเหตุคือรูปคือตัณหาจะเกี่ยวข้องกี่กับการเห็นรูปารมณ์เกีับความใสถามว่าถามว่ารูปใหญ่ทั้งสี่เนะี่ยดินน้ําไฟลมที่เป็นที่อาศัยของจักขุปรนะสาัตย์อันนั้นนะ่ะตัณหาตัณหาให้มาตัณหาที่บวกกับกรรมในอดีตเข้าใจไหม ตัณหาที่เกิดร่วมกันกับโมหะเป็นต้นที่ที่มีโมหะแวดล้อมบ้างถามว่าเราทํากรรมที่ทําให้ได้จากขุปศาสตร์มาถามว่าจากขรุษศาสตร์ของใครถ้าจากขรุปศาสตร์ของอบัยศาสตร์มีไหมมีจากขรุษศาสตรของมนุษย์ของเทวดาของพรมหมใช่ไม่ใช่จากขรุษศาสตร์เหล่านี้ไม่ใช่ได้แค่ตัวจากขรุษศาสตร์ ได้ดินน้ำไฟลมที่เป็นที่รองรับหรือเป็นที่อาศัยของจักรุูประสาทด้วยและไม่ใช่แค่ได้ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกระบอกตาเท่านั้นก็ได้สรีระทั้งสิ้นโดยถามว่าอะไรเป็นตัวแต่งให้มาตันหาตันหาจะเกิดร่วมกันกันกบกรรมหรือตันหาที่มีถ้าสมมติเป็นกุศลกรรมมีตันหาเป็นอุปนิสัยมีโมหาเป็นอุปนิสัยแวดล้อม อย่างเงี้ยมีกรรมใช่ไหมตอนนั้นเกิดขึ้นถ้าถามบอกว่ากรรมใช่ไหมเป็นเหตุของจกักรคุปสัตย์ปัจจุบันทพบใช่แต่กรรมนั้นไม่เป็นสมุทยสัจจะเขเป็นเขเป็นเหตุ ก, หต ก, ก, หหหก็เป็นเหตุเหตุไกลเป็นเหตุไกลของจกักรคุปสัตย์อ่ะล้โมหะด้วยไหมใช่โมหะก็เป็นเหตุไกลของจักรคุปสัตย์อุปาทานอีกไหมใช่ใช่ไหมอุปาทานก็ใช่ แต่ตัวสมุทรยศสจักคือตัวตัณหาตัวเดียวเป็นสมุทรยศสจักเขาถึงบอกว่ารูปอันเกิดจากกรรมที่มีเหตุก็คือรูปคือตัณหานี่ยแหละตัณหาคือความต้องการเห็นรู้รูปารม์ตัณหาที่มีความต้องการเหตุการเห็นรูปารมณ์นั่แหละทําให้รูปใสคือจักขุประสาสตร์นี่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะพบ แล้วไม่ใช่จกักขคูประสาทเดียวที่ตัณหาจะให้มาร่วมกับกรรมจักครูประสาทจะเกิดตลอดพบหนึ่งหนึ่งเท่าไรปริมาณของจักคูประสาทนั้นะเท่าไรมากมายไม่สามารถคำนวณได้ว่าจาักขคูท่าสกกราระเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายในพบหนึ่งหนึ่งนะมีประมาณเท่าไหร่ สันตติของรูปประธรรมทั้งหลายของรูปใสทั้งหลายที่เกิดก่อนกับรูปใสทั้งหลายที่เกิดหลังๆเนี่ยหาประมาณไม่ได้แต่รูปธรรมเหล่านี้จะต้องแตกดับเพราะปัจจัยที่เป็นปริปักตลอดเวลาและเสื่อมสลายไปตลอดเวลาแต่บางท่านก็กระแสชีวิตยังไม่ดับไปได้ซ้ําไปตัว่าจักขคูปร า, าสาสก็หมดกําลังลงเสซะแล้วเพราะอํานาจของแรงกรรมมันหมดกําลังลงอย่างนี้ก็ได้ หรือกรรมใดๆมาตัดตอนเป็นต้นก็ได้ก็เราอยู่ในภาวะของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเป็นทุกความเป็นอนัตตาความไม่งามของจักรูประสาทและธรรมที่เกิดร่วมกันกับจักรูประสาทอย่างเงี้ยจึงบอกว่าเรานี่อยู่กับสิ่งที่มันเปราะบางที่สุดมันแตกง่ายที่สุดเพราะมันจริงๆสภาพตัวมันเองมันแตกสลายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้จิตของเขาก็คือสภาพที่นําบุคคลก็ดีหรือวิถีจิตก็ดีมุ่งมุ่งมุ่งสู่รูปารมณ์จิตของจักรคุปสัตว์เนี่ยถ้าว่าโดยจเป็นสัตว์บุคคลก็คือนําบุคคลนั้นมุ่งตรงต่ออารมณ์หรือว่างั้นเถอะก็คือนําวิถีจิตนั่นเองเอาที่เขาอยู่ในฐานะเป็นทวานไหมจักรคุปสัตว์เป็นทวานไงเพื่อจะให้เป็นที่เข้าออกของวิถีจิตเหมือนทํานองอย่างนั้นวิถีจิตมาเปิดประตูเข้ามาทํากิจกันได้ เอาที่ปัญจทวารชนะมาทํากิจจักขุญญาณมาทํากิจสัมปติชนะมารับรูปารมสันติรณะมาไต่สวนรูปารลมวอดทวนะก็มาตัดสินรูปารลมชาวนะก็มาเจตขณะก็มาเสพรูปารมปะกินรูปารมป ะ, ะเสวยฐรูปารมไปก็ว่ากันไปแต่ทารลำนาก็มารับรูปารมต่อจากชาวนะแล้วก็ลงรวังไปนี่เป็นอย่างนี้ แล้วมันก็แล้วแล้วเลว่าเล่าที่เขามาเป็นประตูเพื่อให้วิถีจิตทั้งหลายมาทํากิจแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวแล้วเลว่าเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าในสังสารวัตน่าเบื่อมากมันเป็นอย่างงี้ฉะนั้นสภาพของจักรคุป萨ศเนี่ยมาทํากิจโดยฐานะเป็นจักขุทวาลแล้วถามว่ายานปัญญาของผู้ที่ไปพิจารณาไปไข่ควรในลักษณะนี้เห็นน่นแหละเห็นตัวจักขคุป萨ศเนี่ยเป็นทุกข์ เห็นตันหาเห็นกรรมเห็นอวิชชาเห็นอุปาทานในอดีตเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นเหตุของทุกข์ปัญญาก็วิจัยสองส่วนวิจัยทั้งตัวทุกข์วิจัยทั้งตัวเหตุของทุกข์ใช่ไหมเหตุของทุกข์บางส่วนเป็นทุกขสัจธรรมเหตุของทุกข์บางอย่างเป็นสมุทัยสัจธรรมวิจัยทั้งหมดนั่นแหละวิจัยทั้งหมดนั่นแหละเข้าไปรู้ทั้งหมดนั่นแหละเข้าไปไข้ครวนทั้งหมดนั่นแหละปัญญาก็ ทะลุทะลวงททงทั้งหมดนั่นมันถึงจะเข้าใจความจริงแล้วมันจะได้ไม่ต้องการจะทํากรรมใหม่เพื่อได้ตาไหมจะได้ไม่ไปทากรรมเพื่อประกอบเจตหาจะได้ดับตาได้สักีใช่ไหมไม่ใช่ดับแต่ตาแต่ส่วนอื่นไม่ดับก็คือคนตาบอดก็ยุ่งอีนี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นดับทั้งหมดฮะยากเนอะยากไหมอันนี้ก็พูดธรรมดาเนี่ยแหละยังไม่ ก็คือพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าใจว่าอ๋อหนี่ทุกขสัตย์ข้อปัญญาไงท่านถึงบอกว่าปัญญาที่สามารถเข้าไปรู้ไงสปัญญาที่เข้าไปพิจารณาไงไปพิจารณาปัญญาที่เข้าไปพิจารณาแล้วพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของสามารถรู้แจ้งอริยสัจอันนี้ไปรู้แจ้งทุกขสัตว์แล้วก็ไปรู้แจ้งสมุทยัทยสัจจ์ ก็ลองคิดดูที่ว่าถ้าเราใช้ปัญญาไปคข้ควรทุกอย่างเอาจากขุปัสสัมาไข่ควรใช่ไหมลักษณะของเขาจิตของจากขุปสัสสัดว่าสภาพที่นําบุคคลลอวิก็ดีวิถีจิตมุ่งสู่รูปารมณ์ผลปรากฏของจากขุปสัสสรสภาพเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศาัยของจากขุน ญ, ญาณใช่ไหมจากขุป ปรทัดฐานของจักขคูประสาทก็คือดินน้ำไบลมนในกรหลาบในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเต็มไปที่อาศาัยของจักขคูประสาทที่เกิดจากกรรมที่มีเหตุหลักก็คือรูปปตัตนหาความต้องการเห็นรูปฉะนั้นดินน้ำไบลมที่เป็นที่อาศัยของจักขคูประสาทเนี่ยมันมีกรรมคือรูปปตัตนหารูปปตัตนหาในอดีตถามว่ามีตาไหมาใช่ต้องการเห็นรูปไหมโอ้โหตาเราไม่ดีนี่ปัญหาแว่นใสกันทบแย่ เนี่ยแต่เ น, นี่ยเป็นอย่างนี้เราสร้างกรรมที่อยากจะเห็นลูกแล้วไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จกักนายดูจนตาบอดมาไม่รู้กี่ล้านอัตภาพแล้วก็ยังอยากดูอยู่นี่แหละอยากไปดูหมดอะไรก็ดูใช่ไหมจิ้งหลีดยังไปดูเลยบางคนเกิดมาไม่มีอะไรหรอกเป็นถึงเจ้าฟ้าจะเป็นทีนะ่ะดูจิ้งหลีดกัดกันอนนมีแต่ไมค์่อนนะมาเรียนสามก๊ก ตอนเป็นเด็กๆแต่ก่อนก็เอาหลักสูตรนี้มาให้เรีย น, นเนี้ก็ดูลูกของเราปีกัดจิง้งหลีดไปเรียนเรื่องน เ, นเนี้ยเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่มีกีดอะไรดูดูจิงหลีดกัดกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมัยก่อนก็มาเรียนนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เรียนแล้วแต่ไมัยก่อนก็จะเรียนก็เอาเนี่ยเป็นหลักสูตรหรืออาจารย์เขาสอนเองก็ไม่รู้เนี่ยเพราะอามาอยู่บ้านนอกก็ เข้าไปสโอไม่เคเรียนเลยแสดงมาดิามาดิสงสัยมันเป็นหลักสูตรพิเศษแต่ก็ไม่รู้ถูกสอนมาหมดแล้วพวกเนี้ยขาเวาเป็นหลักสูตรสอนก็เออเขเรียนกเข้าไปไม่มีหนังสือหรอกแต่เขามาเล่าแล้วก็จําใหญ่ฟังก็ตื่นเต้นฟังก็จําได้หมดเลยต่เนี้ยก็เด็กๆฟังโอ้โหเป็นอย่างเงี้งยแต่ไม่ก่อนไม่รู้หมอกษระสัดกัดจิงหลีด ไม่ดูแข่งจิง้งรีไดพวกเขามาว่าก็ว่าไอเขาจะมาเกี่ยวกับเรื่องของปรึกษาเรื่องการรบเลยไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วทําทีทําท่าโอ้ทำที ท, ำทํา ท, ท, ท, ท่ามามาตั้งท่างันแหละ ว, ว่าการอะไรไปแต่ใจห่วงจิ้งรีดจ <c oughs> พอเราบอกบอกเอา้าวจะทำอะไรรีบทำเนี่ยเขาบงั้นนะรีบบอกของเบ่งไว้จะทําอะไรรีบทำตัวเองจะรีบแล้วพอเขาไปบนเสร็จแล้วเอาแล้วกลับเข้าไปข้างหลังได้แล้พอเปิดภาคคุมบอกเล่นเล่นจิ้งรีดกัน เป็นพระราชามากระตัดอยากดูจริงหรือเนี่ยเราก็มาว่างพิจารณาโอ้มันทุกคนเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เจาะจงใช่ไหมเรามีตามามีจักขคู่ประสาทมาเพราะมีตัณหาเพราะอยากจะเห็นแล้วไปดูแล้วก็ติดเลยเพราะมีตัณหาเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมตัณหาเป็นเหตุได้เกิดจักขคูปศาศาระสาทพอได้จักขคู่ประสาทมาโอ้โหก็อยากดูใหม่ก็สร้างตัณหาใหม่ ไอ้ตัณหาใหม่ก็สร้างเหตุของทุกข์ลาไปในอนในสังสารวัฏข้างหน้าโหน่ากลัวมากแล้วเรามีตามาทําบาปกันแล้วเท่าไหร่เนี่ยใช่ไม่ใช่ไปกลายาเป็นคนดุเลยไปดูในจันท ส, สูตรที่เหตุเป็นคนดุอะ่ะเพราะมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยกับโทสะตัณหาเป็นปัจจัยเกิดโลภะตัณหาเป็นปัจจัยเกิดโมหะเมื่อเกิดโลภะโทสะโมหะเลยกลายเป็นคนดุว่างั้นเน่ยนี่เป็นอย่างงี้โอ้มีตาเนี่ยเห็นไหม แควารตาอย่างเดียวลงวิจัยที่นี้เป็นทุกข์ัตริย์ตัณหาแล้วก็เหตุของเหตุของตัวทุกข์ัตริย์ก็เป็นทุกข์ัตริย์ส่วนหนึ่งด้วยอวิชาเป็นทุกข์ัตริย์กรรมเป็นทุกข์ัตริย์อุปาทานทั้งหลายเป็นทุกข์ัตริย์ทั้งหลา ย, ยาที่เว้นตัณหาไปเว้นกรรมมาตัณหาไปอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีตัวกรรมอื่นๆเกิดร่วมไม่ไม่ใช่น้อยที่ท่านไม่ได้มากล่าวท่านกล่าวด้วยสังเขปไว้ เหตุของตาเนี่ยกันกล่าวโดยสังเกตนะวิชาตันหกรรมอ่ะโดยสังเกตกรณีการทํากรรมที่จะทําให้ได้ตาทํากรรมที่จะทําให้ได้หูทํากรรมที่จะทําให้ได้จมูกทํากรรมที่จะทําให้ได้ลิ้นได้กายและได้หัวใจโอ้โหกรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยไม่ใช่เฉพาะตันห์อาวิเอวิชาตันากรรมอันนั้นกล่าวโดยสังเกต สรุปก็คือว่าหมดขยงเลยอกุณถ้าเป็นชุดเขาจใจยังนั่นแหละก็คือว่าส่วนที่เว้นจากตันหาที่ทํากรรมเป็นทุกข์สัตว์ตันหาเป็นสมุทัยสัจจะและรูปธรรมทั้งหลายคือจกักขรครส菩萨และดินน้ําไฟลมที่เป็นที่ตั้งของจกักรครู菩萨นี่ทุกข์สัตว์ และ ว, วิจัยกระลาบนี้แล้วก็ไปต่อกระลาบอื่นกระลาบอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเห็นกระแสขันเนี่ยโดยความเป็นทุกข์กษัตริย์อย่างนี้เลยพอเข้าใจอย่างนี้เบลเสร็จก็เริ่มดูลักษณะเริ่มดูกิจเริ่มดูผลปรากฏเหตุใกล้ต่างๆนี่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเลยอริยสัจก็จะเริ่มปรากฏใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ทุกข์กษัตริย์ก็จะปรากฏสมุทัยะปะัจจาก็ปรากฏถามว่าจนเข้าใจชัดอย่างเนี้ยใจจะน้อมเอาทุกข์กษัตริย์ไหม ใจจะน้อมทำสมุทัยสัจจะใหม่ไหมไม่เอาแล้วจะดับยังไงสมุทยัยสัจจะใจก็จะน้อมที่จะทิ้งสมุ ท, ทยัยทิ้งทุกเพื่อต้องการจะไม่ให้ทุกข์สัตย์แล้วสมุทัยสัจจะเป็นไปใจก็น้อมถึงนิโรธาสัจจะแล้วโอนออกแล้วใจกระแสใจของสัตว์นั้นก็จะโอนออกน้อมออกใช่ไหมน้อมไปไหนเขาเรียกว่ามีนิพพานเป็น ชายะมีนิโรธาสัจจะเป็นอาชาสยะและ้วน้อมที่จะดับน้อมที่จะดับกระแสขันทาต น, นี่ก็เรียกมีนิพานเป็นอาชาสยะนกรณีอย่างนี้ความไม่เป็นไปของทุกขสัจจะความไม่เป็นไปของสมุททญสัจจะทั้งสองเหล่านี้เป็นนิโรธาสัจจะต่อไปก็เพียนอยู่ในสิกขาสามไอตัวสิกขาสามเลยเป็นมรคสัจ แต่ถ้าพระอิามมัคจริงๆต้องนุ่นนะ่ะมักแปดที่อยู่ในโลกุตระแต่เราจะพฤึ่งทำตามสมควรแก่โลกุตระรำอย่างไรแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้มักยังไม่ได้ไประชุมในโลกุตตระเนี่ยเพราะเป็นอนุปันนาสิกขาสามนี่สิกขาสามที่ยังไม่เคยเกิดในกระแสขันเรามาเลยใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาที่ในโสดาปิมัคสกาธาคามีมักอนาคามัมากอารัตมัคยังไม่เคยเกิดมาเลยในสังสารวัฏอันยาวนาะน นอกนั้นเคยเกิดเป็นหมดถ้าบอกว่ามันก็ชื่นใจใช่ไหมเอาเป็นเทวดาก็เคยอย่างเงี้ยเออก็ชื่นใจมานิดเป็นมนุษย์ก็ที่เป็นระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผนดินก็เคยแล้วก็เคยอุชักยุ่งเลยทีเนี้ยเป็นคนพิกลพิการก็เคยเป็นคนเปี้ยเป็นง่วยเสียขาแล้วก็เป็นคนเงื้อเงะก็เคย โลกเรื้อนกินอยู่ก็เคยข้อทานก็เคยเป็นคนป่าก็เคยน่ะข้ากน็น่เคยเกิดเป็นเปรต ด, ด้วยเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเคยลงอาวีจีไปเลยโอ้โหอย่างเงี้ยพอมองอย่างนี้ก็ลำบากเลยจริงไหมเนี่ยเขามองอย่างนี้ก็ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ากรณีแห่งก็ที่เข้ามารู้ประการมาปฏิทฐานดังที่กล่าว อันนี้คือปัญญาก็ไปวิจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าสามารถรู้แจ้งอริยสัจมีทุกขสัจจะเป็นต้นก็คือจตุสัจจะสมาธิถีเกิดเห็นแจ้งสัจจะสี่ในอัจฉริยะท่านกะบองบอกว่ามหาอัจฉริยะนะปัญญาสามารถรู้แจ้งตามทั้งหลายว่าถ้าไปรู้สามัญญาอันนี้จังก็คือความไม่เที่ยงทุ ก, ก็คือสภาพที่ถูกความเกิดและความดับเบียดเบียนบีบคั้นอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขา ปัญญานั่นแหละเรียกว่าอินทรีย์พ่อแต่ว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่เนื่องจากครอบงํำอวิชชาอาวิชชาเนี่ปิดบังไม่ให้รู้สัจจะสประการถามว่าทำไมปัญญาจึางเรียกว่าอินทรีย์ก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าปกติว่าเป็นใหญ่ที่สามารถไปทําลายไปกําจัดไปกําจัดอวิชชาไปกําจัดโมหะ โมหานี้ปิดบังทําให้เราไม่เห็นความจริงมานานฉะนั้นคําว่าอินทรีย์คือปัญญอินทรีย์ทั้งหลายจึงเป็นใหญ่กําจัดโมหะกําจัดความหลงกําจัดความมืดบอดของดวงจิตที่ขาดปัญญามานะันนะเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยเขาเรียกเรียกเป็นใหญ่ไม่เห็นอริยสัจทำํำไมอินทริย์สามารถได้ทําที่เกิดพร้อมกับตนเนะ่ยรู้ว่าตนคือผู้เป็นใหญ่ปัญญาไม่ใช่อย่างเดียวนะ นอกจากตัวเขาเป็นอินทรีย์เป็นปัญญอินทรีย์แล้วยังทําสภาพธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบเขาให้รู้ด้วยว่าตัวเขาเองก็เป็นใหญ่ใช่ไเพราะเมื่อปัญญาเนี่ยเขาไปแทงตลอดไปกําจัดโมหะสภาวะธรรมอื่นๆนั้นก็พลอยสดใสไปด้วยพลอยได้รับแสงสว่างพลอยได้รับความโล่งโปร่งเบาใจไปด้วยใช่ไหนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ลักษณะของการรู้แจ้งสัจจสีประการนี้เป็นไปในลักษณะอย่างนี้